ก า, การฟังธรรมะน่นทางด้านปฏิบัติทั้งผู้เทศทั้งผู้ฝังมากไม่ค่อยมีคำว่าพิธีเช่นฟังพอเนพิธีเทศพอเป็นพิธีอย่างนี้ทางภาคปฏิบัติ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 เี็นตกิเลศล่วงเข า, เขาไปออะไรไปหมดเหมือนกับโจรผู้ผู้ร้าย น, น่เขาไปขโมยของอนไของในบ้านหมดก็ไม่รู้เราไม่เคยทำจริงทำจังไวตมิ ต, รรตีเตียนตูโทษพระพุทธเจ้าและพระสาวกพุทธบริษัททั้งหลาย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 ดังที่เราทราบทราบกันทำลายจะมีเจตนาหรือไม่มีไม่สำคัญเช่อย่างไม้มันหลุดจากมือของเราลงไปทับเท้าของเราอันี้มันก็เจ็บได้ทั้งทงั้งที่เจ้าของไม่มีเจตนาหรือมีถูกมือเจ้าของโดยมีเจตนาจับฟันมือมันก็เจ็บได้เป็นแผลได้เนี่ยคำพูดที่เป็นภยัยแต่ตนและศาสนามันก็เป็นได้อย่างทํานองเดียวกันนี้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 มีเท่านั้นเป็นหลักใหญ่นี่ชื่อว่าได้ตั้งภาชนะไว้เรียบร้อยแล้วการแสดงธรรมท่าทัานผู้รู้จริงเห็นจริงแสดงธรรมจะไม่หนีจากธรรมคือของจริงของจริงกับ ข, ของจริงต้องเข้ากันต้องเข้ากันได้ผู้ฟังฟังจริงๆนี่ผู้แสดงแสดงจริงจริแ ง, แ ส, งแสดงด้วยอัตธรรมเป็นข้อเท็จจริงจริงไม่ได้รูปได้คำมาแสดง ต้องเข้าใจตามหลักธรรมนั้นๆแล้วทมทั้งหมดท่านมีไว้เพื่ออะไรถ้าเป็นน้ำก็มีไว้สำหรับอาบดื่มใช้สอยสำหรับซักพอหรือชะล้างสีสกรปรกสมมทั้งหลายธรรมะก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันพราะพวกเรามันพวกสกรปรกทั้งนั้นเนี่ยบรรดาจิตใจที่มีกิเลสเป็นจิตใจที่สกรปรก กายวาจาที่เป็นรวงรังของของจิตจิตที่เป็นรวงรังของกิเลสมันจึงเป็นเรื่องสงก ร, ปกประตกกระทำตามกันกับกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในนั้นท่านจึงต้องหาธรรมหาน้ําที่สะอาดมาตั้งสอนพวกเราคือธรรมที่สะอาดก็คือสวขาตธรรมตราดไว้ชอบแล้วนี่แสดงว่าสะอาดเต็มที่แล้วนิยานีิก็ทธรรมเป็นธรรมที่รับรอง เหมือนกับน้ำเป็นเครื่องรับรองช้าล้างสิ่งสกปรกทั้งหลายให้สะอาดไปได้ไม่เป็นอย่างอื่นทมก็เป็นธรรมชาติที่สะอาดเช่นนั้นสำหรับช้าล้างสิ่งสกปรกในหัวใจของสัตว์ขอให้หัวใจมีความสะอาดเถอะกายวาจาหากค่อยเป็นไปเองเพราะนี้เป็นเครื่องมือเท่านั้นที่สําคัญจริงก็คือใจซึ่งเป็นตัวการหากใจยอมรับความจ ร, จริงใจยอมรับที่จะซักพอกตัวเองแล้ว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 อยเพลินเพินอย่งโลกที่สมมุติตัวทั่วไปก็ว่าเร่าในสะอาดที่สุดมันมีใครจะยิ่งยิ่งกว่าคนโง่มันมีใครจะอะจะว่าสะอาดยิ่งกว่าคนสกรกถ้าพูดตามทำแล้วเป็นอย่างนี้เมื่อเราทราบว่าเราสกรปรกทางใจที่เต็มไปด้วยกิเลสซึ่งเป็นสิ่งโสงหมมแล้วเราต้องเป็นผู้มุ่งถ้าอดอตัดธรรมไปเพิ่ง าาดังที่ท่านทั้งหลายได้อุตสา่าห์ทลาเวลาหน้าที่การงานตลอดทังชีวิจิตใจมาเพื่อบําเพ็ญตนนี้จึงเป็นความถูกต้องตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงดาเนินมาจะเรียกว่าอริยประเพณีประเพณีของพุทธบริษัทอันที่ดีงามของพระพุทธเจ้าท่านดําเนินอย่างนั้นจึงขอขอบคุณและ อ, อนุโมทนากับท่านทั้งหลายไว้นาโอกาสนี้ด้วย คำที่ว่าพวกเราสกปปกนี่ก็พอจะทราบกันได้คำว่าสกปปกโสกปปกเพราะอะไรท<ม>ี่โลหนากทังให้ดีที่โกรธท<ม>ี่หลงท<ม>ี่สามกองนี้เต็มอยู่บนหัว<ม>บนหัวอะไรบนหัวใจนานอันนี้นักปราชญ์ทั้งหลายท่านตำหนิติเกียนท่านขายะขยะงมาก พวกเราชอบจึงไม่รู้สึกตัวเมื่อไม่รู้สึกตัวแล้วก็ไม่สนใจในสิ่งที่จะนำมาชาล้างเห็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมก็ผู้ถูกหยายามมีเยอะว่างเพราะความเห็นผิดต้องผิดไปเรื่อยๆอะไรพาหเห็นผิดถ้าไม่ใช่หัวใจที่เต็มบริวกรีเลชซึ่งเป็นตัวผิดทั้งเพลนั้นพาจิตใจให้ผิดไปด้วยแล้วผัก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 ถ้าลา บ, บอกแย้งไม่ฆ่าไม่ตีไม่แย่งไม่ทีไม่คดไม่โกงไม่กดขี่บังคับไม่รีดไม่ไถซึ่งกันและกันซึ่งเป็นการทําลายสมบัติได้จิตใจซึ่งกันและกันตราทศจากสิ่งนี้จะหมดโลกมีความลมเย็นนั่นโลกได้รับความสงบสงบอย่างนั้น<ม>แล้วลุกวันนี้โลกมันเป็นอย่างนั้นหรือไม่ถ้าโลกเป็นอย่างนั้นแล้วผลเป็นอย่างไร<ม>ทั้งๆ ท, ที่โลกทั้งหลายว่าโลกเวลานี้โลกกาลังจเจริญมันจเจริญ อ, อะไรเราดู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 ราคขินาโทสักินนามุหคินานั่นตังดอือไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือมหันไฟคือความโลภความโกรธความดุห ม, มันเผาอยู่ที่จิตใจไฟไม่ว่าจะ ก, ก่อที่ไหนมันร้อนทั้งนั้นเนี่ยออืถ้าไฟนี่มันสว่างโพงขึ้นมาภายใ น, ในใ จ, ใจิตใจออืไฟราคะโทสะมุหันมันสว่างจริงสําหรับ ิประเภทนั้นแต่เรามืดลงทุกทีอันตาการเรณโอนาธาท่านว่าตามหลักธรรมท่านสอนไว้ว่าโกนุฮาโซจิมา น, านันโลนิจจังปฏิจิเตสติอันตาการเรณโอนาธาปฏิปังนักเวสถะขั้นเมื่อโลกทถานีวาดนี้เต็มไปด้วยความมืดหมดอันตการเพราะอำนาจของกิเรสท่ัทหทนหามันแผดเผาอยู่ตลอดเวลาพวกท่านทั้งหลาย เพลิดเพลินก <ife? S 2> ันหาเรื er uh ่องอะไรน่ะทําไมจึงไม่รีบหาแสวงหาที่พึ่งมาเพลินตัวอยู่ทําไมกับไฟกองที่กําลังโพงอยู่ในตัวของมันแต่เรามืดลงทุกวันทุวันอันนี้น่ะท่านสอนถึงใจไหมพระพุทธเจ้าสอนโลกถ้าเราจะฟังเพื่อถอดถอนกิเลสมันถึงใจจนหน้าละอายตัวเองเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้ว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 เต็มจิดเต็มใจเต็มอาการทุกกิ่นทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับาศาสนาและในงานนั้นนั้ที่เลนมันมีพิธีที่ไหนเวลามันจะกัดกขออีดหัวคนมันมีพิธีไหมเราดูสิมันตั้งท่าตั้งทางยกครูยกคันไหมที่เลนการแสดงอย่างนั้นชื่อว่ามีพิธีอืความโลภมันเกิดขึ้นมาทันทีถึงอก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 ดูบนหัวใครหัวเราทุกคนมีแต่เสือรุมกัดอยู่ทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่นนนนนงนอนบางปไหนมีแต่เสือรุมกัดอืออวัยวะจนจะ ม, มีเหลือมันกัดมันฉีดไปฉะนั้นมันก็ฉีกไปเรื่อยเดินไปมันก็ฉีกกัดไปเรื่อยอย่างนั้นเราจะดูได้ไหมดูไม่ได้เลยอแต่นี้กิเลสมันไม่เป็นตนเป็นตัวเช่นนั้นมันกัดมันฉีดอยู่ภายใน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 ทำพอเป็นพิธีเฉยๆรักษาศีลก็พอเป็นพิธีแต่เวลาจะล่วงล่วงศีลไม่ไม่พอเป็นพิธีมันล่วงจริงๆให้ขาดจริงๆสะบั้นไปหมดภาวนาก็พอเป็นพิธีแต่เวลาความง่วงมันจับตัวเข้ามามันครอบเข้ามานี่ล้มตูมจริงๆไม่ได้ไม่ได้นอนพอเป็นพิธีเี่มันนอนจริงๆหลับคก็ก็เหมือนคนตายโดยมันเป็นพิธีไม่เวลาสิ่งอย่างนั้นเข้ามาเกี่ยวข้อง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 ทำไมใจจึงของนองเพราะยิเลท้ายขอนองท้า้ดิ้นบวดแป่งจะแสดงขึ้นมาจากจุดนั้นเมื่อมีสติแล้วจะรู้ความกระเพื่อมของจิตเ<อ>บื้องต้นเรากําหน ด, ดให้รู้อย่างนี้แล้วพยายามกําหน ด, ดให้รู้แล้วมีบทธรรมเป็นเครื่องกํากับอหรือว่าไม้ควายตี อ, อาศาัยไม้คือบทธรรมบทนั้นๆควายกํากับไม้มันโผล่ขึ้นมาได้ตีด้วยบทธรรม ให้ถีบยิบลงไปเช่นพุโทพธโธทโธเป็นต้นแล้วจิตจะมีความสงบเมื่อสงบแล้วจะเย็นลงไปเย็นลงไปสงบแน่วลงกริงจิงนานแหละคุณค่าแห่งความสงบจะเห็นประจักษ์ในขณะเดียวกันจะเห็นโทษแห่งความพุ่งสร้างของจิตว่าก่อความทุกข์ให้เรามากน้อยเพียงไรเพราะความพุ่งสร้างนั้นๆนานนี่เป็นสาเหตุที่จะให้เราทราบในวาระต่อไป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 ปัญญาก็สามารถได้ฉเฉลียวฉลาดได้คนเรานี่ไม่ใช่จะโง่ยอยู่ตลอดเวลาถึงคราวฉลาดฉลาดถึงเวลาจะฉลาดฉลาดได้ถ้าเจะของค้นใจเพื่อความฉลาดนอกจากจะนอนอยู่เฉยเหมือนหมูอยู่ในตมในโคนเท่านั้นจะหาความฉลาดไม่ได้จกนกระทั่งวันตายและตลอดกับหลอดกันจะจมอยู่ในวัฏสงสารตลอดไปเพราะความโง่พาให้จมผู้เราจะไม่ ไม่ใช่พูดต้องการจะจมเพื่อความโมโหเห็นนั้นเรามาสอะแสวงหาความฉลาดเพื่อจะปลดเครื้องความโมโงส่วนให้ดีขึ้นจากตมจับโคลนทั้งหลายคือกิเลสอัศวะประเภทต่างๆกลายเป็นอิสระเสดีขึ้นมาเราต้องทำความพยายามให้ทราบอย่างนี้จิตสงบด้วยการบังคับด้วยความมีสติโดยอาศัยบททําเป็นเครื่องกำกับ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 อันนี้ก็เหมือนการใจรู้ไม่มีอะไรที่จะรู้ยิ่งกว่าใจทุกก็รู้สุขก็รู้ดีรู้ชั่วรู้ร้อนรู้ระหนาวรู้รู้ทุกทั้งนั้นเป็นผู้รับรู้ตลอดเวลานี่ใจนี่แหละจะเป็นผู้รับรู้เมื่อได้สร้างสติปัญญาให้เป็นเครื่องกากับใจด้วยดีแล้วใจจะเด่นขึ้นด้วยความรู้ของตัวเองความส ง, งบ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 และดับไปดับไปเรียกว่าสติปัญญามีความสอดส่องความไข่ครวนไข่ครวนก็ไข้ครวนเรื่องของตัวเองนั่นแหละเห็นอันนี้จังนะท่านว่ามีเป็นแผนของปัญญานะะทุกขังอนัตตานี่เป็นแผนเป็นแนวทางเดินของปัญญาจึงเรียกว่าหินรับปัญญาพิจารณาเรื่องอันนี้จังมันเป็นอะไรอันนี้จังนี่มัน ไตรตรองไปเรื่อยๆเรืยนับแต่ชิ้นหนึ่งถึงสองชิ้นสามชิ้นจนกระทั่งรอบตัวและรอบโลกธาตุแต่ละอย่างอย่างเป็นอนิจจังทั้งหมดนี่ทราบซึ้งด้วยปัญญาเมื่อได้ทราบชัดด้วยปัญญาว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังหมดแล้วเราจะไปนอนใจตายใจติดกับสิ่งเหล่านั้นได้อย่างไรทั้งๆที่เรารู้ว่ามันเป็นอนิจจังอย่างประจักษ์ใจนี่การพิจารณาธรรมให้ประจักษ์ใจเป็นอย่างนี้ทุกขังก็ทราบไง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 ย้อนกลับทันทีนะกระตุกตัวเองทันทีเพราะความร้อนนั้นแผดเผาทนอยู่ไม่ได้นั่นมันชินหรืออย่างนั้นเนี่ยพิจนาท่านเห็นชาติด้วยปัญญาถึงใจอย่างนี้คําว่าอนัตตามันก็ฟังมันว่างไปหมดนี่เราเสกออยก็เฉยว่านั่นเป็นตัวนั่นเป็นตนนั่นเป็นสัตวนนน์นี่เป็นบุคคลแม้แต่ก้อนธาตุที่อยู่ในร่างกายของเรานี้มันก็ว่างจากความเป็นตนเป็นตัวอยู่แล้วโดยธรรมชาติของมัน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 ทราบอย่างนี้จิตเมื่อได้ถอดถอนตัวหรือได้เปิดเผยหรือฟื้นสิ่งปิดปังทั้งหลายโดยความรู้ชัดว่าสิ่งเหล่า น, นั้นเป็นอนจังตัวกลางรักษแล้วทําไมจิตจะไม่โลง่งทำไมจิตจะไม่สว่างสวัยทําไมจิตจะไม่เบาทําไมจิตจะไม่อัศาจรรย์ทำไมจิตจะไม่โปร่งใส เป็นสิ่งที่น่าชั้จันต้องเป็นอย่างแน่นอนไม่สงสัยที่จิตไม่แสดงความอาจารย์ให้เจ้าของเห็นเลยก็เพรอมีแต่สิ่งสกปรกโสมมที่หาคุณค่าไม่ได้มันครอบจิตอยู่ทั้งหมดจิตจึงกลายเป็นนักโทษทั้งดวงนันก็มีคุณค่าที่ไหนเมื่อมันเป็นนักโทษทั้งดวงเพราะธรรมชาติที่เป็นโทษมันอยู่กับจิตที่เกลียดทั้งหลายนั่นแหละ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 แบกอยู่นั่นน่ะแบกอุปทานความหนักอืภูเขาทั้งลูกว่ามันใหญ่มันโตมันหนักเราได้เคยแบกบ้างแล้วเหรอภูเขาเราถึงจะทราบมันหนักแล้วไม่เคยแบกเราจะไปหานพูดเลยดูตัวมันที่มันนั่หนักคือเบนจะขันนี่นะ่ะ ม, มันหนักที่ตรงนี้อยิ่งมีความเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วลูกไม่ขึ้นถ้าคนอื่นช่วยพยุงช่วยเขาเจ็บอีกหนักเขาอีกด้วยการเจ็บการปวดในอวัยวะต่างๆนั่น มันทั้งหนักทั้งเจ็บทั้งปวดเลยเพิ่มเป็นเรื่องหนักไปหมดนี่แหละตัวหนักจริงๆท่านจึงว่าภาระาเวปัญจักขั้นถาภาระอันหนักจริงๆก็คือเบญจขันธ์นั่นถ้าไม่ได้บอกว่าภาระอันหนักจริงๆคือภูเขานะท่านไม่เห็นว่าอันนี้เราพิจารณาให้เห็นจริงอย่างนี้อันนี้แหละเป็นเครื่องทับจิตใจของเราึงพิจารณาให้รู้ในอาการทั้งหา้านี้มันคือไตรลักษณ์ทั้งนั้นเราจะไปอาจหารจะไปเอื้อมจะไปจับ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 ธรรมปีติสุขขังเสติผู้มีปีติในธรรมย่อมอยู่เป็นสุขอันนี้ยังหยาบไปเมื่อถึงเข้าถึงขั้นนั้นแล้วหรือจะว่าให้ละเอียดถึงภูมินั้นคำว่าธรรมก็มีหลายขั้นเอาวถูกต้งองธรรมขั้นนั้นปีติในธรรมขั้นนั้นแต่ปีติอย่างละเอียดเช่นเดียวกันมีความอยู่เป็นสุขนอนก็เป็นสุขนั่งก็เป็นสุขยืนเดินอะไรเป็นสุขทางนั้นอดอิม่มเป็นสุขสบายไปหมด หมดความกังวลหมดภาระเป็นเครื่องกดท่วงปีใตเอา้เอาเพื่อให้มันสิ้นซากไปใช้หมดไม่มีอะไรเหลือต้นไม้เราตัดจริงตัดกา้านตัดต้นมันออกหมดอา้าวยังเหลือหัวตอรากแก้วเราขอยขุดค้นมันขึ้นมาเอาเผาไฟเสียให้สิน้นซากไปเสียหมดเท่านั้นต้นไม้ต้านั้นไม่มีทางเกิดได้อีกเลยเ ก, ก็เหมือนการถอนหน้าแก้วมันซึ่งอยู่ภายใจิตท่านเรียกว่าอภิชามันปล่อยอะไรๆยหมดแต่ตัวห้องจะคข้องกับมาอัศจรรย์อ้อยอิงอยู่กับความสง่าพาเอยความละเอียดละออซึ่งตุลเรื่องของกิเลสประเภทละเอียดพิจารณาเขาอีกให้พอนี่ก็คือกองไตรรักอีกเช่นเดียวกันย่าถือว่าเป็นเราเอะ มันเราอะไรนี่คือกองนิจังทุกของนัาตาตัวกิเลสตัวภัยยังมาเป็นเราอยู่เหรอฮะความฟองใสที่ควรจะผ่านไปได้ถือไวทำไมนั่นอันนี้ก็คือกิเลสประเภทหนึ่งนี่เวลาย้อนเข้ามามันไม่มีราพิจารณาจริงมันก็ต้องย้อนเข้ามาพิจารณาถึงทำถึงทาขั้นละเอียดสุด สับเบธมานาลังอนิเวสา่ายะด้วงนันนะทำทั้งปวงไม่ควรถือมั่นนั่นจุดสุดท้ายและสัเพธมานาตาทั้งปวงนี้เป็นอนาตาทั้งสิ้นนี่ไม่ว่าจะเป็นส่วนยาส่วละเอียดความป่องสายความเศ้หมองอะไรทั้งหมดที่มีอยู่ภายในจิตโดยเฉพาะเป็นอนาตาทั้งสิ้นนั่นพิจารณาอีกทีเช่นเดียวกับสภาวธรรมทั้งหลายเป็นทำทั้งปวงเป็นอนาตาทันท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 หมดนั่นแหะท่านผู้หมดทุกท่านหมดอย่างนี้นี่แหละคือผู้เหนือพิเรพพิเรพจะได้มากัดมาฉีกเหมือนเสือโคร่งตัวหนึ่งดังที่กล่าวมาแล้วนี้เป็นอันว่ายุติกันเพียงเท่านั้นถูกฆ่าหมดให้จิบหายไม่มีเหลือเลยพิเลพทุกประเภทซึ่งเปรียบ เ, เหมือนเสือโคร่งฆ่าด้วยสติปัญญาอันแหลมคมคือมหาสติมหาปัญญาชินทราบกันหมด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 เพราะสุภาธรรมนั้นท่านเรียกว่ามัชชิ ม, มาทันต่อเหตุการณ์ใ่ตลอดเวลารไม่ว่าจะเหตุการณ์ใดของกิเลสที่แสดงขึ้นมามัชชิ ม, มาปฏิวัติภาเป็นอาวุธที่ทันสมัยฟาดปันกิเลสให้แหลกกระจาย ห, หมดไม่มีอะไรอเหลือเลยท่านจึงเรียกว่ามัชชิ ม, มาเหมาะสมที่ตลอดเวลารกับการแก้กิเลสกองทุกที่มีอยู่ภายในใจของศัตรูการแสดงคำก็เห็นมสมควรจึงขอุติปิเปีงตรงนี